จิตใจไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมเขาว่าความตายมันไม่แน่นอนอย่างว่านั่นบางทีมันไม่ทันได้รักษาเยียวยาอะไรกันสักหน่อยเกิดหัวใจวายขึ้นภายในชั่วโมงนั้นก็ไปเลยหรือไม่ถึงชั่วโมงซ้ามานี่แหละมีอยู่เยอะแยะดังนั้นให้พากันเตรียมตัวไว้เสมอเสมอ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 เราจะต้องนำริตรีตองอยู่เสมอเสม อ, อมเตรียมตัวไว้เพราะว่าจิตนี่มันหลงไปยึดขันห้านี่หลงไว้จริงๆ น, นั่นแหละการที่เข้าไปยึดขันห้านี่เดี๋ยมันเป็นภัยอย่างร้ายแรงมันทำให้กิเลสตัณหาบาปประทำต่างๆนั้นมีกำลังกล้าขึ้น ถ้าผูใ้ใดฝึกจิตสอนจิตของตนปล่อยวางขันห้านี่อยู่เรื่อยไปมันก็ทำให้กิเลสตัณหาบาปประทรมนี่อ่อนกำลังไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากิเลสตัณหาบาปประทรมก็ใจนี่เป็นผู้สร้างขึ้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาเองของมันนะ มันมันเกิดเองมันไม่ได้กิเลสตัณหาบาปประธรรมต่างๆหมดเนี้ยใจนี่สร้างมันขึ้นมาต้องเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบคุคคลใดมาสำรวมใจนี่อยู่เสมอเสมอมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังความคิดความนึกความรู้สึกต่างๆนี่นหละต้องมีสติกำหนดรู้ไปทุกระยะระยะไป รู้อย่างไรรู้ว่าความคิดความนึกต่างๆวันนี้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีอะไรเป็นสัญลักษณ์บอกว่าความคิดนั้มันมีรูปร่างอย่างนั้นเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนอย่างนี้ไม่มีอ่าแต่ถ้าบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วมันคล้ายๆกับมันมีตัวจริงๆความคิดอะัร น, นั่ะ เพราะเหตุนั้นมันถึงได้ดิ้นรนไปตามความคิดนั่นแหละคนเรานี่นะแต่ถ้าเพ่งดูด้วยสมาธิด้วยปัญญาจริงๆแล้วนั้นไม่มีไม่มีแกนฐานไม่มีอะไรเป็นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหมุนไปตามเพราะว่ามันเห็นเช่นความคิดอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นก็ดับไปในขณะนั้นแหละ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 หรือว่าให้เป็นความรักความชังขึ้นมาไม่มีแต่ที่มันมันปรุงแต่งขึ้นให้เกิดเป็นความรักความชังนั้นก็เพราะมันคิดขึ้นมาแล้วโดยสำคัญของคิดเราเป็นตัวเป็นตนตขึ้นมามันถึงได้เกิดความรักความชังขึ้นอันนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานทำทั้งสี่รพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ หัดละลึกเข้าไปให้มันลึกให้มันละเอียดเข้าไปโดยลำดับนั่นแนะที่แรกก่อระลึกย่งหยาบไปก่อนเช่นระลึกระลึกตามอิริยาบอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็ให้มีสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวว่าตนทำอะไรอยู่ตนพูดอะไรอยู่ตนเดินไปยืนอยู่นั่งลงนอนลง อะไรหมดนี้นะกำหนดรู้อิทธิยบดอันนี้ไปเรื่อยๆบนันี้ขั้นที่หนึ่งนะอันนี้นะขั้นที่สองบนันทึ อ, อขั้นที่สองนี่ก็กําหนดเข้าไปภายในร่างกายบันี้อทอึก ล, ลึกเข้าไปภายในร่างกายออไปเพ่งร่างกายอันนี้จนเกิดอุกหานิมิตรขึ้นมาออนั่นแหละ โอคฮานิมิตคืออะไรคือนิมิตติดตาเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างต่างก็จะเห็นน้ําเลือดน้ําเหลื้ยงน้ํำนองเห็นอะไรต่ออะไรอยู่ภายในร่างกายอันนี้นะนั่นเลยรวมความแล้วก็เลยว่าจะเห็นอสุภะกรรมาฐานขึ้นมาเพราะภายในอวัยวะภายในเนี่ยเอเราจะเห็นได้ อย่างอวัยวะภายในของวัวควายช้างม้าอะไรหมดนั่นนะเนี่นนะเขาทำแหลกออกไปแล้วอ <ừ> ใส่กับกองนึอ ง, ง <ừ> ตับกับกองนึงไตกับกองนึงอย่างนี้นะปอดก็เป็นอีกกองนึงแล้วก็มีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกไปอ <ừ> ไม่มีอะไรสะอาดสักหน่อยเดียวอวัยวะน้อยใหญ่ของสัตว์เหล่านั้นก็ดี แม่ของคนก็ไม่แปลกกันเลยกับสัตว์นี่เนี่มันก็อันเดียวกันนั่นหละต่างแต่หยาบรายละเอียดกกันเท่านั้นเองเนะี่ย <c oughs> ดังนั้นนะสตินี่มันต้องระลึกเข้าไปดูอวัยวะร่างกายต่งตางๆวันนี้ให้มันเห็นให้มันเป็นภาพปรากฏขึ้นในใจนั่นนะอืม <c oughs> ใจนั้นมันจะได้ มองเห็นว่าเออเอวัยวะร่างกายต่างๆวันนี้ไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารสักอย่างเดียวเลยอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหนื่อให้คลายความยินดีพอใจในรูปในกายอันนี้ออกไปเปาะเนื้อเนี่ยนี่แหละเอาสติตรงนี้มันแก่กล้าพอสมควรแล้วอย่างนี้ก็สติระลึกเพ่ง อาถรพาพร่างกายอันนี้กระจายออกไปให้มันเป็นธาตุมานี่นะนั่นเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมูนี้ความรู้ต่างๆมูนี้เป็นสภาวธาตุเป็นธาตุอันนึงไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนอะไร ช่องหูช่องจมูกช่องปากเป็นตน้นอันนี้ท่านเรียกว่าอากาศธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในกาย ม, มันก็มีแต่สภาวะธ า, าตุมีแต่ธาตุหกเท่านี้แหละแล้วธาตุอื่นที่ละเอียดไปกว่านี้ก็หักมีอยู่หรอกแต่ว่าธาตุที่ส่วนหยาบอันนี้เห็นได้ง่ายมันก็มีอยู่หกเท่านี้เอง น, ะนั่นแหละ สตินี่มันจะต้องระลึกกำหนดรู้กายอันนี้ให้ให้เป็นสภาวะธาตุไปแบบนี้นะนั่นเนี่ยเมื่อมันเพ่งเห็นสภาวะธาตุเจ่มแจ้งไปแล้วมันก็มันก็รู้ชัดเลยว่าตัวตนไม่มีเราเขาไม่มีมีก็มีโดยสมมุ ต, ติสถานสมมุติว่ากันเอาเฉยๆแต่เมื่อจิตวิ ญ, ญญาณออกจากร่างอันนี้ไปแล้ว ไม่เห็นมีอะไรแบบนี้นั่นเองมันก็กลายเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตน้ำธาตุไฟธาตุลมไปเท่านั้นหาเขาหาเราไม่พบแล้วไม่มีนี่นะการเจริญสติปัฏฐา น, นสี่เนี่ยเราเจริญเป็นขั้นเป็นตอนไปจนไ ป, าาานจนไปถึงสภาวาธรรมเดินจนไปถึงสภาวธรรมแบบนี้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ ดีบ้างชั่วบ้างไม่ดีไม่ชั่วบ้างโมนี่ทาที่ดีที่เป็นกุศลก็มีเยอะแยอะอ <c oughs> ทาที่เป็นกุศลนี่เช่นอย่างความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงหมนี่มันมันก็รูวนแต่เป็นทำที่เป็นกุศลทั้งนั้นเลยนั่นแหละ ทำที่เป็นอกุศลกับความโลภความโกรธความหลงสามประการนี่เป็นอกุศลอันนี้เมื่อแจกกุศลนี่ออกไปแจกอกุศลนี่ออกไปมันหลายทีนี่นะกิริยาอาการของกุศลนั่นมันมีมากมายเหมือนกันกิริยาการของบาปอากุศลก็มีเยอะแยะแต่รวมความแล้วเรียกว่ามันเป็นธรรมอารมณ์ท้งนั่นเลย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 มันดาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลหลืออกุศลหรืออพยากกตาธรรมมนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างอะไรไม่มีสีสันวันนาอะไร น, น, น, ะ น, นี้นะนี่แหในสติปัฏฐา น, นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็เพ่งพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศล ทมที่ไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญมุลนิล้วนแต่สักแต่วา่าทำไม่ใช่สัตว์ุคคลตัวตนเราเขา่าอันนี้มันเป็นขั้นละเอียดเข้าไปแล้วแม้แต่ทมที่เป็นกุศลก็ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนู่นไม่เฉพาะแต่จะปล่อยวางทม ท, ที่เป็นอกุศลอย่างเดียวแม้ทม ท, ที่เป็นกุศลก็ไม่ให้ยึดถือ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 เช่นกล่าวโดยโรวบยอดว่ามักมีองค์แปดประการหรือศีลสมาธิปัญญานี่น ะ, ะเมื่อบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นแล้วมันก็ทาหน้าที่ของศีนสมาธิปัญญาเองเนี่ยคือทาหน้าที่ขจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงมานะทิติอิจฉาพยาบาทอะไรต่ออะไระให้ระงับดับไปจา ก, กจิตใจนี่นั่นนะ แล้วเมื่อกีเรศเหลรานั้นระ ง, งับไปสีนสมาธิปัญญาไอ้โมนี้มันก็ระ ง, งับไปตามกันเมื่อมันระ ง, งับไปแล้วจะไปอาศัยอะไรแนะอบะนี้ก็ทําเหล่านี้เพราะพุทธเจ้าตรัสขึ้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัย ม, มันก็ดับไปเมื่ออริยมรรคทาหน้าที่ขจัดกีเรศปัญหาให้ระ ง, งับดับลงไปแล้ว มันก็ยังเหลืออยอรธรรมเป็นธรรมอันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งนั่นเรียกว่าท่านเรียกว่าอสังคตธรรมนั่นแหละอสังคตาธรรมนี่เป็นธรรมไม่เคลื่อนไหวไม่มีโยกย้ายไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละเมื่อธรรมที่มีเหตุปัจจัยเหล่านั้นดับไปหมดแล้วมันก็ยังเหลืออยู่ที่อสังคตธรรมนั่นเอง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 เหตนนั้นมันถึงไม่ได้แปรปวนไปตามจิตดวงใดที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่ขันธ์ห้าเพราะว่าเป็นตัวเป็นตอนอยู่ด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะพอธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมันวิบัติแปรปวนไปจิตนี่มันก็แปรไปตามวันไว้ไปตามอก็เป็นทุกข์ไปตามนั่นเรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งร่างกายเป็นทุกข์ทั้งจิตใจด้วย เช่ <c oughs> นนี้แหละการบำเพ็ญทางจิตใจนี่จึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควร<ม>กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแ ท, แท้ๆเพราะถ้าบุคคลได้มาไม่ฝึ ก, กจิตใจตัวเองนี่แล้วมันก็จมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นี่แหละหนีจากทุกข์ไม่ได้เลยก็เป็นอยู่อย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ บางทีมันก็อาจได้สวยทุกยิ่งไปกว่านี้อีกเมื่อเกิดความประมาทไปทําบาปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองมันจะต้องได้ไปสวยทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตนหรอือไม่ใช่ว่ามันจะได้เป็นทุกอยู่เพียงเท่านี้นะบุคคลผู้ประมาทอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลื่องมันนะทีนี้ผูดด้ใดมาภาวนาเห็นอัตภาพร่างกาย เส้นของไม่ใช่ตัวตนไม่ครยึดคนถืออย่างนี้แล้วแต่ว่าอินทรีย์ก็ยังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะพรงวางขันห้านี้ได้โดยเด็ดขาดไปได้อย่างนี้ก็อาศัยขันหานี่แหละสั่งสมบุญกุศลเข้าไปไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช้ขันหานี้ไปทำบาปต่อไปแบบนี้ใช่มันแต่ทำบุญกุศลทำประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้น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 ทำให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งหรือว่าบรรลุมรรคผลถึงอรหัตตาผลละอาสวะกิเลสได้โดยสิ้นเชิงเพราะการละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี่แหละได้โดยเด็ดขาดแล้วกิเลสก็หมดสิ้นไปตามกันเนะี่ยถ้าผู้ใดยังยึดถือขันหานี้ไว้แม้น้อยหนึ่งกิเลสต้องก็มีน้อยหนึ่งเท่ากันนะั่นแหละ ยืดขันห้านี้ไว้ามากเท่าไรกิเลสนั่นก็มีมากอยู่เท่านั้นมันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะอืเพราะฉะนั้นคนเรานี่นะจึงว่าเมื่อได้ฟังคําสอนของพระเดชเจ้าแล้วให้พึ่งพากันที่นเหินโทษของบาปกรรมนี่ให้มากมากออันนี้สาคัญทีเดียวเลยแต่คนส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อย เห็นโทษแห่งบาปกรรมนะเอเพราะว่าบาปกรรมที actually, ่บุคคลกระทาลงไปได้มันไม่มันไม่ให้ผลในปัจจุบันนี <t <t uh> <t <t ้ทําไปแล้วก็เล uh> ี้ยงไปอย่างนี้นะเอายุงมากัดตัวหนึ่งตบเปี๊ยะลงไปแล้วก็มึงมากินกูมึงต้องตายอย่างนี้แล้วก็เฉยไปเลยไม่เห็นว่าการตบโยงนั่นมันจะให้ผลปัจจุบันเออ บาปมันจะตามสนองอนปัจจุบันอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่มีนี่แหละมันทําให้คนเราย่ามใจอออ่ะต้องตบยวงบ่อยๆเลยวันนี้เพราะตบไปแล้วมันไม่มันไม่ให้ผลเป็นทุกข์เรืองร้อนอะไรในปัจจุบันนี่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแม่ทําบาปอย่างอื่นๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละคนไปชลาใจตรงนี้เลยมันถึงย่ามใจทําบาปได้อย่างไม่สะดุง้งกลัวต่อบาปมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ ก็ทาลงไปแล้วมันให้ผลมเมื่อมันไม่ให้ผลปัจจุบันนี้แล้วรถเลยถือเอาว่าบาปนี้มันจะไม่ให้ผลต่อไปอีกอคนส่วนมากเข้าใจไปทำนองนั้นเนะี่ยดังนั้นจึงอยากจะเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายในทีน่นี้ไม่ควรที่จะเข้าใจอย่างนั้นก็อย่างที่เคยพูดว่าบ่อยๆแล้วแหละแต่ว่าต้องพูดเรื่อย ก็เมื่ออัชภาพร่างกายนีนอาศัยบุญกรรมบาปกรรมที่ได้ทํามาแต่ก่อนนั้นมันตามมาตกแต่งให้เมื่อมันตกแต่งให้เป็นรูปเป็นรามนี้ขึ้นมาอลไรมันก็รักษา嘛นี่มันก็ตามรักษามาโดยลําดับอย่างนี้แม้ว่าบุคคลโน้นจะไปทําบาปทําชั่วอะไรใส่ตัวเองมาอย่างนี้กรรมชั่วที่เขาทําในปัจจุบันนั้นมันก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วที่เขาทํามาแต่ก่อนมันกำลังให้ผลอยู่ เออทําชั่วที่พวกคนทาใหม่ๆนี่มันจึงให้ผลไม่ได้นี่นะต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละเพื่อนจึงไม่ทําบาปกันจึงเว้นเลยหาทางหลีเว้นเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อหมดจากผลบุญผลบาปที่ตนได้ทํามาเทชาติก่อนนั้นลงเมื่อใดแล้วบุญใหม่บาปใหม่นี่มันจึงให้ผลสืบต่อได้ ถ้าบุญใหม่นี่มันมีกําลังมากกว่าบาปไม่บุญใหม่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนแต่บาปนั้นมันก็คอยตามสะกดรอยไปอยู่อย่างนั้นแหละพอพอบุญนั้นใหม่ที่มันให้ผลไปนั้นหมดอายุลงบาปนั่นมันก็ให้ผลสืบต่อเออ ม, มันเป็นอย่างนั้นเดืองมันนะให้พากันเข้าใจให้ดี <c oughs> ถ้าบาปมีกําลังเหนือกว่าบุญในปัจจุบันนี้อย่างนี้ เวลาหมดบุญเก่ากรรมเก่านั่นแล้วบาบนี่มันก็มีสิทธิ์ให้ผลไปก่อนเลยป่ะนี้บุญก็คอยให้ผลตามหลังเป็นอยู่เนี่ยชีวิตของคนเราอย่าสงสัยเลยอืมไม่ควรจะสงสัยแล้วเราจะสงสัยทําไมในเมื่อมันปรากฏชัดอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วเป็นสักขีพยานเห็นชัดอยู่แล้วนี่ น, นั่นแหละเพราะบางคนนี่อยู่มาดีดนี่ เกิดมีอันเป็นไปขึ้นปัจจุบันทันด่วนเลยหมายความว่าเกิดความวิตบัตอะไรขึ้นปัจจุบันทันด่วนอย่างนี้ก็มีออให้ไปนึกไปฝันว่าคนผู้นี้นะมีกําลังกายแข็งแรงอยู่ดีๆนี่นะกินได้นอนหลับอะไรอยู่นี่นะจู่ๆแล้วไปเกิดหัวใจวายตายลงไปอย่างนี้นะออหรือจู่ๆบางทีก็เกิดมีคนเข้ามาดักฆ่าให้ตายลงอย่างนี้นะมู่นี้แหละ มันเห็นได้ชัดชัดเลยเนี่แล้วบางคนที่ไม่ได้ประสบอุปัติเหตุอะไรต่างๆหมู่นั้นเลยตลอดชีวิตอ่าอย่างนี้ก็มีนั่นแหละดำเนินชีวิตไปอย่างราบรื่นไปถึงจะมีอุบัริ์ก็กเพียงเล็กน้อยแก้ไขตกไปได้อย่างนี้นี่ยกดทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาแต่บุญกรรมแต่งต่างคนต่างก็ทำมาไม่เหมือนกันนะนั่นเองแหละ มันอำนวยผลให้แตกต่างกันดังนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แนละ้วท่านจึงพยายามเว้นบาปกรรมให้มันหมดมันสิ้นไปจริงจริงพยายามสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในตนอย่างเต็มความสามารถบุญกุศลนี่นะเมื่อเจริญมากขึ้นมปเท่าไหร่มันก็จะขจัดกิเลสบาปธรรมนี้ให้เบาบางออกไปเท่านั้นจนกว่ามันจะหมดสิ้นไป ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้